มันอื่นมากขนาดได้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยยังเป็นนาคยังไม่มาบวชเนี่ยท่าอะไรมาไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ปฏิผัดแล้วก็ลาบากมากอย่างพวกพระรังอกิเตมาอยู่เนี่ยท่านก็มาทุกมากเป็นพระที่ตา ย, ยคืนทรงนั้นนี่พระพระรังเนี่ยตายหมด ทำไมถึงรู้ว่าสันตายผมไปถึงเมืองท่านไปดูประเพณีเมืองของท่านไปดูเลยตายมาถึงวันเรามีพระผิดตายหมดอยู่ในคนห้าปีหกปีปิดตายแล้วเดินทำไงชอบสนุกสนานตามอกตามใจทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี่นม่เหตุํรมบีมันบีค่ายๆว่ามันบี ในทุกอย่าง ก, การขกการฉันการดับการนอนการไปการมาสารพัดอย่างที่ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ได้เก้าปีสิบปีหกปีเจ็ปีเนี่ยก็ะเดาเกิดใหม่ตายจากเมืองนอกมาเกิดเมืองไทยอาหารที่ไม่เคยได้ฉันก็ฉันมาเมืองไทยฉันฉันตนเนิ่นถึงหมดแดง ที่เขาไม่รู้จักเลยมดหนิบ้านเขาไม่มีมดเลยมาบังไทยฉันเลยฉันมดนั่นแหละพระฝรั่งเขาเลนี่มันตัวอะไรฉันไปอะฉันไปไม่รู้บ้านเขาไม่มีมดไม่มีปวกพอมาเห็นสัตว์ที่บังไทยเป็นมดกฉันเลยฉันมดกันมันต่างกันมากอาหารแลมันก็อยากสารพัดอย่างท่านสู้แล้วผมเข้าใจว่าพวก ถ้าพ่สูสําเสนที่มาจากมันนอกเนี่ยไม่มากวางงงนะทากว่าเป็นส่วนมากถ้าว่าบ้านท่านใกล้ๆเหมืนอนกรุงเทพนี่ไม่ได้อยู่แล้วหนีกันไปหมดเลยไม่อยู่แล้วโอ้อันนี้มันข้ามชาวีบมาเชียมองไม่เห็นถึงเนียมันทุกอะไรก็ยอมตายมันเถอะทนไปทนไปการอดทนนี่จริงเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นราฐานของผู้ปฏิบัติ ถ้าบ้านอยู่กรุงเทพนี่คืออดทนคงจะไม่ไหวแต่และคงจะไปกรุงเทพอย่างนี้ไปกรุงเทพแต่และเนี่ยอันนี้บ้านมันต้องข้ามทวีไปแล้วนึกว่าจะไปโอ้โหลำ บ, บากดว้วยกันนะจําเป็นก็คนตาฉันส้มระกออยู่นี่แหละฉันปนอยู่ฉันผักอยู่นี่วุ่นวายอยู่นี่ทําไปนานๆนานๆมันก็ชินได้ดีอีกแต่ละทีนี่ ดีอยู่แต่้วชอบข้าเหนียงอยู่แล้วเนียก ว, ว, ว, ว่ามันเกิดใหม่มนะทุกองจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอาหารสารพัดอย่างนะนี่มันฝืนใจอย่างนี้การชันก็มาฉันอยู่ในบาทเชบางทีก็มีข้าวมีหวานใสลงไปตรงนั้นเนะเ อ, อโอ้ ใครจะชอบใจมันก็ไม่ชอบใจแล้วี่ทุกคนรองหมดที่ถ้าเกลียดไม่หมดถึงก็ขัดท้องมันเรื่อยไปแหละเอาอาหารเทลงไปในบาตรสิเอาหวดฟักทองเทเข้าไปอีกดิเอาจะมีไหมเกลียดดนะันดูว่ามันขัดขัดของของนู้นแล้วแหละมันเป็นของมันอยู่นี่เรียกว่าการขัดเรียกว่าการฝึก เตือนสติเราบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้แต่มันได้ก็ฟื้นมันจะฟืนนี่การฝึกมันเป็นอย่างนี้คนเราทุกคนมันชอบทำตามใจของเราแต่ว่ามาบวชอยู่ที่นี่มันทำตามใจเราไม่ได้ เรามาฝึกมันเป็นพระก็มาทำตามสิ่งที่มันจะให้มันเป็นพระอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติแม้ตั้งแต่การเข้ามาบวชเป็นนาก็เริ่มมาแล้วบางคนนี้ไปกันคืนเลยสเสด็จนี้กลคืนถูกพระเน้นดีๆเลยไปไต่ไม่บอกสเสด็จไปกลาคืนเงียบอย่างนี้เป็นเต็มที แต่ว่ามันเต็มทีแต่คนที่มีกําลังน้อยคนที่มีกําลังมากมีศรัทธา ม, มากไม่เต็มทีนะหนักก็ทนทุกยากลาบากก็ทนอยู่ด้วยการอดทนไม่ใช่มาบวชมาทําตามใจเราทําตามใจเราเมื่อวานซืนนีม่มีพวกหญิงกรุงเทพมาเข้ามาขออยู่ที่นี่เอ้ยหนูเน่ยอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ย ได้จะขาดอีฉันชอบอยู่ป่าเอา้ามันฉันมือเดียวนึ่งมือเดียวอีฉันก็รองมาแล้วไม่อยู่อยู่ไม่ได้ได้ไมาอยู่ได้สามวั น, นอะไรน่าซีดจะเนี่ยมากราบเจลาตบบ้า น, น, นพ่อหนูเจลาต บ, บานทําไมล่ะนิวข้าวไม่ได้กินข้าวหรือกินไม่ได้ ทำไมคนอื่นก็กินได้ไม่รู้เห็นไหมล่ะคนที่เอามาฝากเลยไม่ต่อหน้ า, านีไปโน้ตจำไว้นั่นมันคือความคิดของเราอันนี้มันคือความจริงมันต่างกันไปจําไว้นี่การบวชไม่ใช่เป็นของง่ายมันเป็นของยากเราผู้อยู่ข้างนอกพูดไป่ถูกคอเท่านั้นแหละทำมาบวชแล้ว ถา ม, มาบวช ด, ดีเพราะอผิดหวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่โกหกตรงนั้นเลยไม่คนมาบวชเพราะการผิดหวังเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็รู้จักผิดหวังอะไ น, นี่เพราะนั่นเนื่องว่าทางนี้มันจะสบายเข้ามาบวชในวัดน้องประพงคยิ่งบีบเพอีกฉันอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าทุกแต่คนอื่นผมก็ทุกมาเหมือนกันแต่ว่ามันมีจิตใจนึงเดี๋ยวทุกมันก็ไม่ยอมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีมาอย่างไรก็ไม่รู้มันทุกแสนมันทุกแต่ว่าไอตัวที่ไม่ยอมนั่นมันไม่ไอเรื่องทุกเนี่ยคิดไปวางครั้งหรืออะไรเป็นเรื่องสนุกสนานไปด้วยว่ามันทุกหลายลําบากแค่นั้นเมื่อบวชมาท่านบอกว่าใไอผูกชัทางดี ไอ้ปลูกศรัทธามากมากเตรียมตัวไว้แต่วัวสมาศรัทธามันพังคือมันไม่รู้จักกันเองเน่แต่เราคิดว่ามันจะดีมันจะสงบระงับก็เราไม่เห็นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราเออกเป็ น, เ, นเมื่อเข้ามาจริงแล้วนะ่ะมันไม่จปกาสนาของเรา มันก็เลยไปฉะนั้นรากฐานที่แท้จริงที่มันดีนั่นอยู่ในการอดทนไอ้ความอดทนมันเป็นของที่สำคัญ ม, มากมันต้องฝืนจิตใจของเจ้าของ เ, เชื่อครูบาอาจารย์ผู้จะแนะนำทัําสอนและมีตัวอย่างเยอะมากๆทำไมท่านถึงปฏิบัติอย่างนี้ คำสอนของรพระพุทธเจ้าท่านว่าทำอย่างนี้มีประโยชน์แก่ศาสนาสร้างประโยชน์ตนจะสร้างประโยชน์คนอื่นจะต้องทำอย่างนี้ถ้าคนเห็นแก่ตัวมันจึงอยู่ยากมันจึงอยู่ลาบากอยู่ยากจะลำบากถ้าใครรู้จักแบ่งมันก็ง่ายมันก็สบายเช่นในวัดนี้ เดิมทีที่มาอยู่สามสี่องค์นันมันก็ง่ายเมื่อห้ายองค์ขึ้นมามันก็ลำบากขึ้นทุกอย่าง mm hmm. ก็ตั้งข้อกติกาเสนาอย่างการขบฉันไปบิณฑบาดมาฉันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยากในสิ่งที่มันยาก ังนั้นพีวัตรนงประคงนี้จึงมีข้อกติกาตั้งขึ้นมาจะไปบินทวาดมาสายไหนก็าตามเถอะเอามาได้มารวมกันแบ่งกันเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อความสม่ำเสมออย่างนี้ไปบินทวาดมามีมากมีน้อยทอะไรก็เอาออกมารวมใส่กระมังไงก็แยกบางทีมันแยกเป็นธาตุบางทีมั กลับมาใหม่มาทีเรามันมีทางหัวมันมีท้งหางมีทางกลางตัวเมื่อมาเข้าสวนเัาห น, นีหมด mm. ไอ้สิ่งที่มันตกบาปนามันไม่เห็น แ, แล้ว mm. มี่กไม่สบายใจ mm. ไม่สบายใจเ mm. มื่อไม่สบายใจก็คิดจะช่วยกิเลสทั้งที่มันจะช่วยกิเลสที่เนี่ย นะมันจะช่วยกิริตอองมาแล้วมันจะเลี้ยงกิริตก่อนเรื่องช่วยจนมันเลยช่วยกิเลสมิดเป็นต้นมาแล้วบางทีไม่ยอมแบ่งไม่ยอมแยกออกเนี่ยถ้าเป็นกันอย่างนี้ทุกๆุกท่านทุกๆุกองแล้วมันก็นับวันมันจะแยกกันออกไปมันจะแยกกันออกไปไม่เห็นน่อ่า มีชนกลุ่มหนึ่งพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าถือว่าไปบินสวาสดิฉันของใครก็เอาเถอะมันตกในบาดใครก็ฉันแ่วนั้นแหละถือสรงกันอย่างดีนะเออแต่ว่ามันถือสรงอย่างนี้มันก็มีกำไรเจัวหน้าพระอาจารย์ทถวนั้นแหละ ม, มีของกัดทิ้นหนึ่งสองิ้น มันไม่ครบพระอาจารย์พิโนนาไปก่อนก็ให้อาจารย์แท่นั้นแหละยังงั้นก็ทุลงอาจารย์ก็สบา ย, ยได้มาก็สบาย ก, กติฉันสบายเดี๋ยวก็ทุรงไอ้พวกนั้นมันถือทุลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นทุรงไปอาจารย์เยนี่ยใครๆก็อยากถวายอาจารย์ใครๆอยากถวายอาจารย์เนี่ไอ้เนรตัวนิดๆเดินตามหลังนี่ยนั่นก็ไม่มีอะไรนะจะทำยังไงเนี่ย นี่การกระทําเจนนี้เพื่อความแบ่งปันเกีอาจารย์ี่ยมันพั่วถึงข้อวัดอันนี้นบางคนก็เห็นว่ามันไม่พอใจขอเราอันนี้เราไปบิณบาตมามาวันนี้หายแะแล้วบางทีมีอะไรที่เขาจับแสดงบาดกลับไปวัดนึกว่าจะฉันตนัวนี้มาถึงแล้วไม่เห็นแะ่แล้วไม่รู้ใครเอาไปแล้วแบ่งกันไปอย่างเนี้ย นนะล้มตากขาไม่สบายใจแตงนั้นแหละนั่งคิดจะทำลายแต่นั่นเองเอาอยัางไงอะไรยังไงเนาะเนี่ย น, น, นมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นนี่เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติอันนี้ฉะนั้นถ้าากว่าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสำสอนมีอำนาจชอบอยากจะทะเลาะกันไปอยู่กันดิ สองวงสามวงทีวงมันจะแย่งกันทะเลาะกันแหละเพราะอันนั้นเพราะอันนี้อันนี้อันแห้นคนนั้นได้มากคนนั้นไดน้อยไอ้อความเป็นจริงอันนี้เราไม่ว่ามาปฏิบัติเอาสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้นอนดีกินดีอะไรดีเลยไม่ใช่เรามาเอาอย่างนั้นที่เรามาบวชนี่เรามาบวชเพื่อปฏิบัติตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเอาอยู่ดีกินดีกันไม่ต้องมาบวชแล้วอยู่นอกก็พอแล้ว ไม่ต้องมาหาในพระศาสนานี้อยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทํามาอยู่ในหนอกๆ อ, อยากกินอะไรก็ไปเลยมันสะดวกตัวนี้เดียอยูดีกว่านี้เดีกินดีกว่านี้อยู่นะี่ยแต่ว่าดูๆนะปลายทางมันจะเอาเราเนาะต้นทางมันสะดวกระวังปลายทางเนนะยมัจะร้องให้เลยที่เรามาทําเนี่ย เรีวาเรามาทาตามคาสอนพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้ามาทาตามคาสอนพระพุทธเจ้าเราจึงมาทากันอย่างนี้ถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็ไม่มันก็สามัคคีกันเนี่ยไม่แย่งแย่งกล่นกันในกันเป็นสมณะเพศ การบันประชาคือการถือบวชเป็นอุบายเลี่ยนจากการเบียดเบียนซึ่งกันในกันถ้าเรามาบวชจะพยายามหากินดีหานั่งดีหานอนดีไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่ที่อย่างนั้นที่อย่างนั้ น, ท, น, นที่อยู่ในธรรมวา่าหากินดีก็ได้ที่มาอยู่เช่นนี้เรามาอยู่อาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงเขาดูเขาเลี้ยงดูอาศัยเขา แม่กติที่อยู่ก็อาศัยคนอื่นครับผ้านุ่งผ้าห่มก็อาศัยคนอื่นเขาอาหารการกัดกันอาศัยคนอื่นเขาให้เราจะเอาตามปรารถนาของเราไม่ได้ท่านภาษานี่บุตรท่านรู้จกักกิเลสของท่านมันวุ่นวายอืม เดินไปวิญธาบาจิตของท่านตัวเองนะท่านอยากอะไรบอกว่าอยากจะให้เขาให้เร็วเนื้อให้ของนอนนอนอยากให้ของเย็นเย็นเรื่องให้ของที่ชอบใจมันคิดอย่างนี้ไม่หยุดเหมือนกันเนอ่ยใจของเรามันคิดอยู่อย่างเนี้ยเรื่องของภฟฟ้าดิบุบท่านผูมีปัญญาท่านกปล่อยมันคิดไปทีเดียว จับบาดไปวินทบาดไปยืนอยู่เจ็ดที่ยืนเนี่ยน้ำมากใจก็อยากให้เขาให้เร็วๆยืนอยู่ตั้งนานน้วเข้ามาให้เนี่ยก้อนข้าวเท่าเนี้ยไม่พอใจเสียกให้ของที่เราไม่ชอบด้วยของชอบชอบไม่อยากให้ให้ของเย็นๆใหม่ของรอ้อนก็ขัดเรืยไปย ท่านภาษาดีบุตรท่านก็ปล่อยมันคิดไปพีนาไปสักการะาดูมนเออท่านดูเรื่องมันไปในทูกนี้ท่านก็รู้จักมันเนี่ยท่นก็มาคิดใหม่นะสอนจิตเจ้าของเมื่อกรไปถึงในบ้านยืนท่านบอกว่าท่านจงจะให้เราเร็วให้ ช, ะชะัดๆนั่นมันจัดกัน แล้วก็ให้ของหยาบหยายากของละเอียดแก่เราเลยเนี่ให้น้อยอย่ากให้มากพระพุทธพระเสาธิวรจักรเทศตัดไปดีื่อยๆทำไมแป่ไมาให้จจ้าเพื่อมันอยาดกัะเร็วอ่ะตัดมันอยากเกลี่ของดีๆเลอยากของดีให้เราอยากเกียของละเอียดเอาของหยาบหให้เราอยากให้ของละเอียดแกเรา เนี่ยเอาของเงยนน็นเย็นเอาของร้อนมาให้กิเลสว่ามันทําไมมันอยากจะได้ของร้อนอยากจะได้มากมากด้วยนี่ท่านคิดติดตัดปัญหาออกด้วยนี่มันก็แย่งกันไปนมันก็เป็นปะพุทธเจากิเทวทัศ์ไปในตัวมันแหละนั่นแหละนนี่ของมารพระท่านปราบพญามารมารที่มันเกิดจากใจนี่เองไม่ใช่มันเกิดจากอย่างอื่นเนาะมันเป็นใจอย่างนั้น แย่งไปดินะท่านผู้มีปัญญาไม่ตามเราเขาก็มาดูจักพลิกตัวเราแนละ้วทามันอยากจะได้มากก็ได้มากด้วยนะอะไรเขาให้น้อยไปไม่พอใจอให้ของอยากจะได้ของละเอียดละเ อ, อยียดเช่นั้นเนะี่ยแต่ให้ของหยาบหยาบมันก็ไม่พอใจอยอะเลยไปอาการที่ไม่พอใจคือความไม่ยินดีในของที่มีอยู่นี่ไม่ใช่ทางกรณีพานไม่ใช่ทางคําสอนของพระพุทธเจา้า มันเป็นสายอย่างนั้นอย่างนั้นจึงถูกทรมานครูว่าอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องถูกทรมานหลายอย่างไม่ใช่ประมาณอยู่อย่างอื่นมานอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละจิตใจทุกคนที่เราเข้ามาบวชนันเนี่ยคนมีกิดเลสทั้งนั้นนไม่ใช่คนไม่มีกิดเลส พอนอนกลางคืนพอตีสามเขาดันนครั้งหนึ่งไม่ชอบใจแล้วไม่ชอบหอกแต่ว่าบางคนก็ทําตามใจมันซะบางคนก็ไม่ชอบแต่ร้านมันนอกไปซนะนี่มันต่างกันในนียคนเนะไม่ชอบใจเท่นั้นเรื่องึ้นไหนจอบใจรเรื่งพอจัดฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนจึงสอนอย่างเงี้ยให้กินน้อยให้นอนน้อยให้มักน้อยอยู่ ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติตามท่านต้องมาปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเดือดศีลเดือดสมาธิเตืองปัญญาเนียถือธงเขวัดอยู่ป่าเป็นวัดชั้นมือเดียวเป็นวัดชั้นหนนเดียวเป็นวัดชั้นในบาทเป็นวัดอะไรทั้งหลายเ่าเนี่ยอืมให้มันเป็นวัดไปอย่างนี้ใครจะชอบแล้วไม่ชอบเนาะ ไม่ชอบเพื่อให้กิเลสมันฟูขึ้นมาเราตัดหน้ามันดูที่มันจะเป็นยังไงไห ม, ไมผมเคยไปจำพรรษาอยู่กับหลวงตาองค์หนึ่งแต่ไม่เตผมผมเป็นสะรุ่นรุ่นท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ท่านปฏิบัติก่อนท่านไม่่อยรู้จักกิเลสเท่าไหร่ ไม่รู้อยู่กับคนวินชาตเออเอาข้าวมาเอาข้าวเหนียวปันใส่บากเอาพอดีนะให้มันพอดีฟันใส่เยียงเยียงบากเแล้อก็ติดข้างบนสนะติดไหนมันเหนียวแล้วไม่เาจเจ่อแกงเทลงไปนะนะั่นแหละเอาแกงเทลงไปอืม เมื่อเอาแกงเทใน้คนแก่นะนก็อยากจะได้แกงเนะี่ยอยากจะได้น้ำน้ำมาเทลงไปเนะี่ยมันก็ไปแช่ข้าวเหนียวซะคิดว่ามันจะให้ไอ้กับกับข้าวนะมันถูกกันนเอาข้าวอยู่บนติดไปข้างบนเนะี่ยเยี่ยงบาสนะก็เทลงไปเรื่ๆๆอยๆน้ำแกงก็ไปแช่ข้าวเหนียวนะเดี๋ยวมั น, กนตกลงมาเพิ่มฟังเสียงนะอ่ะหืมไหวแบบนี้มันไม่พอใจนะย ทุกวันมีใจเหนือยเรื่อยเรืยเละพอจัดเสร็จแล้วเราก็ยิ่งอนุโมทนาช้าๆไม่ต้องเอาเรียวแล้วให้ข่าวนี้มันโดดลงตุ้มใส่แกงตะกนอนเตียงยาเท้าดีวะเอาไปได้ด้วยอย่างเงี้โอ้ย <c oughs> พรรษาหนึ่งไม่รู้จักกิเลสอย่างเงี้ยไม่รู้จักกิเลสอยากจะทําตามใจของเขาออกพรรษาแล้วด่าเราฝไปไปแล้วไปร้านอะไรมันดีเยอะมาทําคนเดียวเลย ฉันเขาเย็นเลยทุกวันฉันสุราด้วยนั่นเขาทําตามใจเขานั่นมันเป็นไซอย่างนั้นคือเราไม่ฝึกที่ดีมันไม่ยอมฝึกเอาตามใจของเจ้าของนั้นไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่ไหนเขาเห็นว่าความดีอยู่ที่เขาชอบกันนะอะไรเขาไม่ชอบมันไม่ดีทั้งนั้นนง่ายๆอย่างนี้ก็เลยออกจากทางที่ดีไปแล้วอันนี้เป็นต้น ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันสารพัดอย่างสิ่งที่มันเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราจะละมันไปจริงๆมันเสียดายนะมันเสียดายไม่รู้มันเป็นมันเสียดายหรือนะฉะนั้นข้อวัดอย่างดีที่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยมันขัดเราเิลีดแต่ว่าเรามันแยกจกลียกับเราไม่ได้ มันเอาจิตเดชมาเป็นเราใช่ไหมเอาเราเป็นจิตเดชจะไม่รู้เรื่อ ง, องว่าจะมาตรงไหนจะทําอะไรกันจะทรมานตัวเราจะทรมานจิตเดชมันก็มาถูเราเะอืยโดยไม่ได้ดทํากันอันนี้เป็นต้นจึงตั้งทอวัดปฏิวั ต, วติในที่นี้มีการทรมานเพื่อวันรุ่งทำทุกปีจะต้องอบรมกันอย่างนี้เรื่อยไป บวชเข้ามาแล้วนะปฏิบัติข้อกิจตานทังเนี่ยิการที่ท่านทําไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราได้คิดเอานะ่ะเราอ่านข้อกิจการที่ท่านทําตอนเช้าตอนเย็นท่านทําให้ดูเรียงเป็ของไม่ยากนมันเห็นแล้วเนี่ยทําได้ไม่ยากที่มันยากนะั่นคือมันไม่พอใจจะทําอย่างนั้น มันไม่เห็นด้วยนั่นเองไอ้ความเป็นจริงริงทั้งหลายแล้วนี่ครูบาอาจารย์ท่านอันนี้ท่านจัดมาแล้วทาอย่างนั้นทําอย่างนั้นท่านบอกว่าเมื่อจะทําท่านเป็นคนจะบอกต้องทําอย่างนั้นะเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ทําตามที่ท่านบอกเแ่านั้นเป็นพอวัดเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นของ ง, ง่ายง่ายไม่ใช่เป็นของอยากแต่คนเรามันมีจตเตแต่มันได้เป็นของยากมันลําบาก อันนี้ขอฝากไว้ให้หนักทั้งหลายกิจนาดูนะจะเข้ามาเห็นแต่ว่าสุขปฏิปทาทุกขปฏิปทาอย่างหนึ่งมีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขก็ิีบาตต่อไปบางอย่างมันมีสุขในปัจจุบันมีทุกันิ่บาตต่อไปมสลับกันอย่างนี้ พูดง่า ย, ายๆแต่มันเป็นนักลบบ่าจะรบกับใครข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มันหมดเลยเนี่ยไม่มีใครจะกล้าทําแล้วอ่อนกันไปทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ไปมีใครทําใจมาฉันมือเดียวกันนี่ก็โ h เตรียมทีซะแล้วคิดแต่มันเตรียมทีแล้วไม่มีใครกล้าจะทําแล้ว ชันสองมือน่ะคือใครชั่วน่อยมันหย่อนลงไปดเรื่อยๆไอ้ความเป็นจริงเนี่ยตามผมพิจารณานี่ยชันเทนเทนนี่ก็เรียกวเทลานั่นเองมันเทลานัา่นแหละจะชัน้นสายมันก็ได้มันเป็นเทลามันเิ็นเวลาเจ้าไปทั่วที่อืันมือเดียวเนีน่นพูดง่ายๆเซตามความจริงของมันเนี่ยมันเป็นเทลาเทนก็เรียกว่าเป็นเทลา นี่ครั้งพธุธการท่านประฉันอย่างนี้ท่านก็ทําอย่างนี้ในสมัยนี้ไม่เคยมีฉันในบาตรเนี๋ยวนี้สมัยนี้บาตรที่จะฉันได้บาตรไม่ก็ยมีแต่แล้วยิ่งเปดูยิ่งไปรูเที่ยที่เขาอยู่ตามธรรมดาเขาเนี่ยไอ้บาตรที่ไปเป็นถวัลนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <ฤ>เกิดถนนถนนนั้นนี่ยยินถวัลเนี่ยโคกโคกเราจะต้องการมันอะไนั่นเนี่ย เสร็จเดกใหรเด็กไปรลางก ร, รงลมกระลมกระมเท่ห์เหอะไปกาะตามตะกูที่แผลในตามฝ า, าเนี่ยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างมันหรอกมหาตะคงจะเคยในมั่งคงจะเห็นในมั่งแ้าไปเกาะตามฝาน่ะเนี่ยตอนเช้ามาบางทีเด็กมันเป็นเอาตรงตรงเป้งอ่าเป้งโอ้บาดจะบบุบแล้วไม่นีงงน้คือบาดมันจะทิ้งอยู่แล้วน่ะอืม มันจะชันในบาตรได้ยังไงเหม้นมาแต่ก็ดีพราะเอาข้าวใช่ไหมเอาบาตรทิ้งกลับไปเด็กคนจะไปทไํา้ะ<ม>บางทีก็ไปไปเรียนถวัลจะให้เด็กมันไปเรียนถวัลถืออไปนย่างเงี้<ม>ไป<ม>แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนี้มันสมัยนี้มันภาชนะมันมีแล้วมันไม่อดภาชนะไม่ต้องชันในบาตรแล้ว<ม>เรียนชั้นสูงจะแก้ไปงั้นเนี่ยออใช่แล้ว ไอคนที่มันมาก้ายมันนั่งอยู่เต็มเลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องฉันในบาทแล้วัยไ่อนมันไม่มีพาเจนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะนี่แล้วชั้นพื้นราบก็ยังไม่พระกายขึ้นบนโต๊ะเลยฉั้นอย่างฝรั่งแล้วนี่มันไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยมันเจริญขึ้นมาอะไรมัน่อเ่วงไปทางนั้นเ่ยมันหมดผมที่พาลูกศิษย์ตุคหาจำเน่ยฉันในบาทเนี่ย ผมผ้าด e <t modern developed Airbnb> ํำๆเดี๋ยวนี้วันหนึ่งท่ากรุงเทพเดินมาดูเพิ่งปวดช้เจิญันทร์แล้วดูเออเป็นพระโบราณโบราณยังมีกระดีเหมือนแต่ดอกวะเออเป็นพระโบราณโบราณยังมีกระดีเหมือนนแต่ดอกผมได้ฟังคํานี้วโอ้โหมันแสบโอ้เรืนนะๆนะเป็นพระโบราณโบราณยังมีกระดีเหมือนแต่ คือเขาไม่นึกว่าจะทำอย่างนี้ไม่คิดว่าจะทำอย่างนี้มันล่าสมัยแล้วที่เราทำไปนี่นเขาจนเรียกว่าเป็นพระโบราณโบราณ่าง น, นี้ก็ดีเหมือนกันไอความเห็นมันเป็นเช่นนั้นคนมีความรู้มีความรู้ปิชาที่ไม่รอบรู้ที่ไม่ถึงรู้ไม่ถึงเ น, นี่ยทลายผิดต่างๆแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกเลยเทศบวชไ้ว่าศาสนาศสนาคต ไม่มีใครจะมาทำลายเรานอกจากสุกผิดตาต้จะทำลายนั่นไม่มีนี่ตัวเรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นใครจะทำลายตัวเรานี่ก็คือความคิดที่ไม่ถูกเราจะทำลายตัวเราคือความอยากความหนูนหลังก็เป็นไปการกระทำเช่นนี้เพื่อปราบความอยากเท่านั้นไออยากนี่มันก็ไม่รู้นาโคน บางคนก็เนื้ออิม่มไล้มก็เศาอยากหยุดอยากแต่มันอิ่มแล้วไม่ใช่อิ่มกับอยากกันมาคนนาทีมาคนในอย่างกันค น, น, คนออ ก, ก็เหมือนกันกอิ่มเนี่ยมันอยากจะเอาห่อไว้เก็บไว้ไม่พูดถึงแต่คนเลยผมก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งมันหิวหิมันเอาเข้าวมันกินมันกดสกายมันกินน่ ใช่จานหนึ่งร้องจานกินหมดรับจานตี 3, จานอิ่มแหละเหมือสันท่ากับคนเหล่าคนก็เหมือ น, นสุนัขสันท่าสยามแบบ น, นี้มันย่อเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติธปฏิบัตินี้อืมคําสอนพระพุทธเจ้ามันจึงมีอํานาจถากขานกันเลยทีเดียวกับทิเดียวทั้งหลายถ้าไม่ทาอย่างนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรแต่คนเราเห็นว่าสู้ไม่ไหวมีน้อยที่จะมีสันทายอย่างนั้นอืม ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งบ่าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้นะมันจะงอกกายถวายชีวิตจะต่างๆไม่ต้องไม่ต้องไปสรรเสริญไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานจ่อยวางจริงแค่บางคนก็เข้ามาไปคุยๆกันจะฝึกแล้วก็คุยกั น, จ ะ, ก น, กนจะทำอะไรออกไป เลี้ยงหูเลียเยยเ้ยงไก่ในตัวอะไรวุ่นวายเนียยังไม่เสร็จเลี้ยงไก่เสร็จแลวเลี้ยงหูเสร็จแย้วอะไรอะไรกันหมดเลยเราถากวารามีเวลามันน้อยเราจะบวชในน้อยเพราะฉะันมันถือเราทําำในมันถูกต้องทุกคนทุกอย่างเราจะทิ้งมัน เมื่อเราจะต้องทิ้งมันได้เราจะต้องพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นควรจะทิ้งเราจะถึงทิ้งมันได้อะไรที่เราละมันได้เราก็เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเรานั่นเราจึงละมันได้ที่เราปฏิบัติได้เช็นนั้นก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นาจึงทำประโยชน์กันได้อะานี่ทุกคนไอ้คนเราที่บวชกันมาแล้ว ตั้งใจมาบวชเอาบุญแต่ว่าเข้ามาแล้วมาเอาบารเป็นคนหัวดือ้ออะไรตัวอะไรได้หลายอย่างไม่อยู่ใจโอวาททำสอนของครูบาอาจารย์ก็มไม่คิจเจรนาไม่ถึงมาเห็นแต่พระบวชใหม่ๆซึ่งบวชเก่าๆก็เอาสิ บางทีเห็นผ้าเห็นผ้ากรรมาฐานมีตำเหลืองตาดูไม่ชอบกันแล้วคิดแบบมันทาาํบาบา้บาๆบอๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยใช่ครั้งบอกพุทธเจ้ามันหมดมรรคผลแต่แ้วมันทําอะไรอ่ก็เลยไปส อ, อนดวงเดียร์อย่าไปถาเลยมันหมด แ, แล้วนะอืชุนเต็มคามันก็หมดแล้วอย่างนี้อาจไปพูดได้ยัง อ, อันนี้พูดจะเล่าให้ฟังหรอก ทางเราจะต้องเดินผ่านไปตรงนั้นแหละที่เราพูดจากนั้นเรามาเปลี่ยนที่เรามาประพฤติปฏิบัติี่มาเปลี่ยนมิติใหเปลี่ยนความรู้มันเปลี่ยนความเห็นถ้าเราเปลี่ยนได้แล้วมันตายอพระพุทธเจ้าของเราท่านตายท่านเกิดเกิดขึ้นในท่านคนตาย ไอ้ความชั่วทำให้มันตายเจรณามระทานของท่านแต่ก่อนความชั่วมันมีอยู่ัต่รูปประทับนามประธรรมปฏิบัติมาเห็นได้เป็นตนมันตายแต่การตายที่เกิดแล้วไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นโทษมันมันตายอย่างงั้นพวกเราทั้งหลายทุกๆุกคนจงประกันตั้งอกตั้งใจนี่ก็พระที่จะตั้งใจจำพรรษาต่อผมเนือนนี้ ที่ผมได้บอกไปนั้นก็คงเข้าใจกันแล้วแต่ผมขออภัยด้วยมันผิดถูกเพราะไปติณารู้เถอะให้รู้ในใจของท่านท่านร้ายก่อนที่จะมาจำํำรรษาที่นี่นะโดยมากเราจวนจะจําำรรษาถึงจะไปจํำภาษากันไม่ได้แต่ที่อื่นได้ที่นี่ไม่ได้จะต้องมาฝึกกันแค่ก่อนดูเรื่องกันแค่ก่อนว่าเขาทาอะไรต่ออะไรกันไหม มันจะมีความเปลี่ยนแปลงความเห็นของเรานนเนี่ยดูอที่เรามารู้กันมาประพฤติปฏิบัติกัต่านงเนดินอ้ายเดินยี่ยมาท่านมาอยู่ตามนี้น่ตาป่า น, นอนในปกดๆตามเนี่ดูท่านทําอะไรกันท่านปฏิบัติอย่างไรกันเราจะได้รู้จักว่าผลที่สุดแล้ ว, ว่าเราชอบไหมการปฏิบัติอย่างนี้อืม ประธานในวัดนั่นชอบเราไหมเราชอบข้อวัดปฏิบัติสถานไหมต่างคนก็ต่างชอบกันทุกทุกคนอยู่ด้วยกันได้สบายจึงเข้าข อ, อนิสัยให้มันมีนิสัยก่อนเข้าข อ, อนิสัยเลย mm. เอาเป็นที่พึ่งที่ความนักของเราะรกปปาวะพ่อเดียนกรรมฐานต่อไป mm. อันนี้ยังไม่รู้เรื่อง mm. มันก็ลำบากอยู่เวลามันน้อย ทำไมถึงทำอย่างนี้พวกเคยเห็นมาแล้วเคยทํามาแล้วเคยเป็นมาแล้วถึง ท, ทาอย่างนี้ฉะนั้นพวกหน้ากันหลายนะี่ยต้งตั้งใจอย่างน้อยฝึกหัดใจอาจารย์ชูพยายามฝึกหัดให้อาทิตย์นจะก็จะบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนแล้วอยู่ไปอีกประมาณชั่อาทิตย์หรืออาทิตย์กว่า ฝึกห่ผมผ้าถึกอะไรต่ออะไรหลายอย่างเป็นก็อพอดีหน้าที่ดังมาแล้วก็บวชเป็นพ้ากันบวชเป็นผ้าแล้วต่อ น, นั้นไปก็เป็นโอกาสที่อาจารย์ตามสาขานั้นจะมารับไปเมื่อรับไปก็จะมอบปากให้ท่านเป็นตัวแทนแนะนําำคำสอนต่อไปอย่างนั้นให้อยู่ใจโอวาทธรรมคำสอนของท่านแล้วคนอื่นที่มาบวชต่อไปก็ต่อกันไปเรื่อยอย่างนี้ นี่การบวชเนี่ยการบวชเนี่ยไม่ใช่การบวชมันยากบวชมันไม่ยากมันยากทีสาคัญที่ว่ามันบวชมาแล้วมันบวชมาแล้วบวชวันนี้ก็ได้ไม่ยากแต่ว่าทําไมไม่บวชเนยไม่ถึงการเวลามันที่จะบวชไม่ควรบวชในการบวชนั่นน่ะเท่าที่ทํามาเนี่ยจะบวชเวลาไหนก็ได้ในพรรษาก็ได้ ถ้ายังไม่เหมาะสมเขไม่รีบบวชให้บวชแล้วสมัมบวชมาทําความชั่วบวชมาทําความผิดบวชมาทสมัยเรามาบวชเพื่อจะหาบุญหากุศลมีถ้ายังไม่สมควรเขาไม่บวชให้ถ้ามันสมควรเราก็บวชให้อายุยี่สิบปีครบบริบูรณ์แล้วบวชเป็นสมเนิถึงวันท้าพรรษาบวชสมัชฌนพรรษาเลยอยู่ไปถึงเดือนเก้า ดันผิดมันก็ยังได้บวชให้ก็เป็นพระได้ปรรษาศรับกระถินได้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือ น, นกันเท่านั้ น, น ย, ยังดีกว่าที่เราไม่รู้เรื่องอะไรพอบวชก็ไปไม่รู้เรื่องอะไรไปทำผิดจะไปทำบาปแค่นี้นไม่ค่อยดีอันนี้พูดให้ฟังให้เข้าใจทำไม หลวงพ่อจึงเรามาอยูอย่างนี้ทําไมไม่บวชพระทำไมไม่บวชเลนเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่นั้นเราฝึกที่เราเป็นหน้าที่เรามาอยู่อย่างนี้เราก็ฉันมือเดียวรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเ น, นีมันถึงที่เดียวกันเช่นนั้นไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระมันจะเป็นข้อปฏิบัติ ด, ดีขึ้นมาหรอกมันจะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องดีไปตีเดียวเ น, นี้เป็นคารวะต่อบรรุมาผลได้ ไม่ตรงอะไรเรียกว่าทุกวันนี้เข้าใจเราบวชแล้วอย่าไปยึดมั่นในเราบวชแล้วเท่านั้นเราบวชแล้ ว, ล ว, นะ ว, ลวทคกอมเพียรแล้วถูกกองในบวชแล้วที่จะบวชเป็นพระเป็นเนร เ, นเมื่อถึงตามจะเอาอะไรก็ได้ อ, อะไรก็ไดนายศานีอยูกรุงเทพเคยมาบวชลาอาจากจ์สายการจะมาบวช ไม่เคยฉันจัหนอย่างนี้ไม่เคยทำอย่างนี้มาอยู่มันหอมใหไปอยู่เขือ่อนทำงานพยันตัวนเดน้กลับไปบ้านคุณนายเห็นเห็นพ่อไม่ไสบายมันหอมลูกสาวก็เห็นเด็วก็พร้อมร้องไห้รัวมันหอมลงไปอย่างนี้เช่นต้ แต่ในสถานีอยู่สบายผมหมายคนให้แต่คนมันพรอมของคือคนไม่มีปัญญาคนโง่เขาไปถือเอาเนื้อเอาหนังเป็นประมาณอย่างนั้นก็ไม่มีโรคไขอะไรการทรมานเป็นอย่างนั้นเ๋ยนี่ก็ดีขึ้นเยี่บวชมาเนี้ก็ได้ไม่บวชก็ได้เมื่ออยู่นี่ไม่ดูว่ากี่เรียนเนี่ไม่มาบวชเป็นเดือนแต่อายุตั้เกือเดือนนึงออกคลิปกัน นี่การบวชไม่ต้องรีบทำเมื่อไหร่มันได้เมื่อนั้นสมควรเนี่ยไเป็นธรมมันถึงดีอันนี้ให้รักการเข้าใจไม่ใช่มาบวชได้มาแล้วนะบวชไม่ฝึกมันลำบากยากมันลำบากมากเป็นบาปเป็นธรรมเนี่ย อาฉะนั้นพระทุกอง์ที่มาอยู่เนี่ยก็คงจะได้รับฟังอะไ ร, ะไ ร, ะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระที่ตั้งใจจะประจาพันธสัญญานี่ แ, แต่ผมขออะไปด้วยเยะ่องค์ที่จะได้อยู่ก็อยู่ไปมีตามชื่อนีองค์ที่ไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ให้ไปพินาเลยที่ผมพูดอย่างนี้มันมีอะไรไ้ยในใจของเรามันมีนนอะไรหรือเป่า ให่มากให้ไปดูไอ้ที่มันเหมาะสมดรืยอเหมาะสมนั้นนี่ไปมีอะไรไหมในวงการที่ประชุมตัางนี้มีอะไรไหมมีความเห็นอะไรไหมว่านี้เป็นบรรจ์ ในการปฏิบัติในคณะสงฆ์เราปฏิบัติดี่มันเป็นทางเสีเ่ยงเสียหายมีอะไรบ้างประชุมการประชุมกันเมืองนิดไม่ใช่ไปคุยกันเมืองนิดประชุมกันเมืองนิดไม่ใช่ว่าประเด็นไปะยอกการเมืองนิดประชุมกันเมืองนิดเจ็ดวันที่ผานวันครั้งก่อแล้ว เรื่องปฏิบัตินั้นบางคนก็อยากจะได้ว่านั่งกมาา น, ม, น ม, ม, มันจะจบสงบนึกว่ามันจะสงบพระดีฆาตบวชมานั่งนี่แห่ความเห็นอมก่อนเป็นไงสงบโอ้โหไอความสงบสง บ, บนึกว่ามันเป็นของเองหน่งน่านึกว่ามันเป็นของเองหน่ง บางทีก็มานั่งกับดวันอะไรมันสงบไปมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วหมดท้าหมดทางมมนมีทางที่สงบก็ไม่มีอะไรมากมายเรื่องเรื่องทำจิตมันในสงบเรื่องจิตของเรานี่มันมั น, ม, นมันรู้สึกเลือกคิดไปหลายอย่างที่นี้เราจะทำให้มันเป็นอารมณ์อันเดียวแต่ไปนั่งสลายอารมณ์นีแ่แหละ ก็เลยพยายามหาอารมณ์เดียวอยู่นั่นแะแต่อารมณ์เดียวก็ไม่รู้จักนะแต่อยากมันเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยไอความเป็นจริงจิตของเรานัหนามันเล่นกับอารมณ์มานี่แต่เจิมือมันเกิดมาแล้วแต่วันมันเกิดมามันเป็นเพราะมันอยู่ที่นี่ เราจะมารถไห่มันน้อยลงไปในอารมณ์ทั้งหลายนั้นแต่เดียวว่าจัดมันดอกได้ ว, วา่ามาภาวนากันชเอาอะไรมาแทนมาแทนได้หลายอารมณ์นั่นนะมีอารมณ์เดียวบางทีมันมีแค่มันมีโหลมันมีกล่อง ม, มีอะไรหลายอย่างวันนี้เราทิ้งมันเลยไม่ต้องเอาไปนะเราจะเอาวัตถุอันหนึ่งมีถ้วยใบเดียวเลยเอาเท่านี้ขวดจานจังๆมันเลย เรียกว่าภาวนาพโพโตนั่งนั่งคัตสมาธิเรียกว่าคัตสมาธิขาขวาตับขาซ้ายมือขวาตับมือซ้ายร่างกายสงบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องทําอะไรมากแล้วภาวนานี่ยแค่คายไว้เราจะทําอย่างเงี้ยเจ้าวไว้เนี่ยทำมาตั้งอย่างนี้ สร้งไว้หนึ่งนาทีแล้วให้ท่านหยิบแก้วใบนี้มาตั้งที่นี่หนึ่งนาทีได้หนึ่งนาทีแล้วก็มาหยิบแก้วใบนี้ไปตั้ง า, มมางนี่หนึ่งนาทีสมมุติ์เทานี้นะทําอยู่อย่างเงี้ยถ้าในั้งตอนนี้เรื่องอื่นๆนั่นท่านไม่ไม่คิดไม่ให้รู้เรื่องมันจะไปได้ไงตอนทำแก้วไว้เนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มีอารมณ์หลาอย่างให้มันมีตอนนี้ตั้งนี่หนึ่งนาทีสม้วมาตั้างนี่หนึ่งนาทีเดี๋ยวไปยกมาสร้งนี้ ทุระที่จะทําให้จิตสงบมีทุระเท่านี้ไม่ให้มากถ้าว่าทําไปจะทํามันไปทําไมเนาะ อ, อยากคิดไปทำาห้มันเป็นอะไรอยากคิดมันไปคิดไม่ถึงเมื่อก็ไม่ตามมาันนี่ก็เปรียบอารม์หายใจเข้าออหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไปหายใจเข้าออกรู้จักมันสั้นรู้จักว่ามันยาววางไว้จากคอหน้าอย่าไปเพ่งตรง ท, ที่หัวใจเนะี่ย หัวใจตรงนั้นที่เรียกว่าจิตไม่ใช่หัวใจตรงนี้มันความรู้สึกของเราเนี่ตามพูดมันมีอารมณ์มากกว่าจังเรื่องอารม์เข้าไปก็รู้ออกก็รู้มันยาวก็รู้มันสั้นก็ ร, ร, รู้รความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นมันมก็แย่งอันนี้บางทีมันดื้อลมหายใจตั้งใหม่อารมณ์หายใจแต่พุทโธพุทโธพุทโธให้มีสติอยู่เนี่ยทำไปทํำไปนี่เรื่อยไป มันไม่สงบไม่สงบก็ช่างมันบันหลังทําใหม่ทําไปอยู่อย่างเงี้ยทําให้มันมากแต่เจริญเนี่ยมันมากแต่ทำให้มันมากเจริญเนี่ยมันมากไอความรู้สึกทางร้ายมันจะเกิดขึ้นดีการทําอยู่อย่างเงี้ยที่มันจิตสงบกับไปแล้วเป็ตอวนั้นก็สงบกับไปเรือแต่ลมเข้าออกเสมออยู่เ้วก็จะเห็นครับเอออันนี้มันก็สบายดีเหมือนกันนะ อันนี้มันมีอารมณ์เดียวมันไปวิ่งไปอื่นแต่นานๆมันเป็นทีหนึ่งนานๆเป็นเทีหนึ่งแล้วค่อยๆทำของเราไปเรื่อยๆอาการทำอย่างทำไปเรื่อยๆการยืนการเดินการนั่งนอนเป็นแต่เราอยากเข้าใจว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสติมีสติปัญญามีความรู้สึกอย่างนี้ นี้เดี๋ยวเราไม่ไทิ้งมันบางคนออกจากสมาธิแล้วประเดี๋ยวเ ร, เรวาเลิกแล้วประเดวไปมันเป็นกายมันการเป็นกายเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ะไอความรู้สึกของเราให้เราอยู่อย่างนึงเช่นว่าเราทํางานเราทํางานอยู่อย่างเนี้ยไม่เสร็จแล้วเรากลับไปบ้านเนี้ยความรู้สึกของเรายัางมีอยู่ในงานนั้นหรืออยู่ในบ้านมันก็มีอยู่นี่งานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จ เมื่อไรจะใบเมื่อไรจะปลาเมื่อก็ปลารุของนมาอยู่เรื่อยอย่างนี้เนี่เป็นต้นเรีงานนี้จงเสร็จเราเหมือนกันเรามีการสังวรมีการสังรวมมีสติมีสัมพัทัญญาอยู่สติคือความระลึกได้สัพพัทัญญาคือความรู้ตัวมันเป็นชื่อของอาการทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมีสติมีสัมพัทัญญาสองอย่างสติความระลึกได้สัพพัทธ์รู้ตัวอยู่ระลึกได้ในการกระทําในการรู้ตัวอยู่สองอย่าง สองอย่างนี้เป็นเหตุให้ไปดึงปัญญามาดูปัญญาเกิดสติมีสัพพัญญามีความรู้อยู่แต่มีความรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้นะมันก็เกิดดึงเอาปัญญามาด้วยปัญญาเข้ามาช่วยมารู้อันนี้มารู้สติอันนี้ดูสัพพัญญานี้รู้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะแตกฉานในการกระทําทอย่างนี้ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก มันจะสงบบ้งก็ย่างมันมันไม่สงบบ้งก็ตามมันเถอมันเป็นเรื่องของธรรมราของมันอย่างนั้นอันนี้เราจะต้องทําอย่างนี้เลขากการทํากรรมฐานนี่ปฏิบัตินี้คนเราก็เดี๋ยทําแต่เมื่อเราขยันเมื่อเมื่อเกลียดข้านก็ไม่ทําอันนี้มันก็ไม่ถูกแหละไม่ต้องว่ากันในเรื่องขยันเรื่องเกลียดข้าน เราต้องมีอยู่เรื่อยๆไปขยันก็จังมันเถอะเกลี้ยกข่อมก็จังมันเถอะแค่ต้องทําอย่างนี้เรื่อยไปนี่ว่าทําตามกดสิเด็ดไปเลยพว่ า, าวันนี้ขยันก็ทําไม่ขยันก็เลิกนมันก็ทําตัวเรานัรน่องเน่มันทํามันทําตามความคิดของเรา ท, ท, าทําตามสิเดตของเราเท่านั้นแหละมันจะไปแค่ไหนกันเหี่เมื่อจีเกียดก็ไม่ทำเมื่อขยันก็ทํา จะไปปฏิบัติไหนมันก็อย่างเก่านั่นแหละไม่อย่างอื่นเนาะมันจะขี้เกียจประจังมันทําขยานันประจัญขี้เกียจ่าเจัญนี่ทําอย่างนี้นี่เราทําตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทําตามของเราเมื่อขี้เกียจก็ไม่ทาขยันถึงทำนี่มันจะไปถึงแค่ไหนแล้วมันจะตัดกระแสกิ้เกียจเมื่ อ, อไรมันก็ทําตามใจของเราอย่างนั้นแค่ น, นั้นท่านเจ้าหนี้สติอยู่มีสมปสัจจัยอยู่ จะมีความรู้รอบอยู่เสมอนะทําไปออกจากการนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรปรึกจารณาด้วยมีสติอยู่มีสัมปัญญ์อยู่มีปัญญาอยู่ด้ว ย, วยไม่ลืมตัวอันนี้มันจะเป็นนิสัยอันนี้มันจะเป็นปัจจัยอันนี้มันจะเป็นพลังอันหนึง่งมันน้อยไดยมันมากขึ้นมาละนี่ดียกว่าท่านดีกว่าการเจริญ การเจริญภาวนานี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราก็ไปอยากใจมันสงอบไปนั่งหรือไม่สงบไม่มีบุญเนี่ยนี่ถึกไว้อะไรทั้งหลายมันคิดไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี๋ยไปทําตามใจของเราได้ไง่ายๆบังคับบัญชามันได้ได่อันนี้อจะต้องทําใจให้มันเย็นเย็นจะจบทนต่อการกระทําต่อธรรมะคาสอนอยู่เสมออย่างนี้ดี ฉะนั้นทุกคนก็ประการเข้าใจการปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติไม่ใช่บีบัตดปฏิบั ต, บติถ้าเรามาปฏิบัติต้องท่องกาทำทางกายทางจิตของเราถ้าบีบัตดได้มันก็เสียหายแต่นั้นเนี่คือเกียดติท่านไม่กล้าทําไม่ทําตามไม่มีศักดา บางคนกระบวดเขามาด้วยศรัทธาแต่ก็มาย่ำยีคําสอนของสัพพิติเจ้าในรูปตัวเหมือนกันฉะนั้นในกลุ่มปฏิบัติทีทตะ ว, วันมันนี้น้อยมันมน้อยที่ผมองคเดียวครั้งแรกว่าฟันอุปสรรคมาอย่างเนี้ยครับอืเรื่องอุปสรรคนั้นเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่ต้องพูดถึงหรอกมันมากที่มันไม่ตายมันยังอยู่เดี๋ยวนี่ยมันฝืนเน่ย พื้นทางครูวาาจารย์พื้นทางอะไรใครทั้งนั้นเน่ยมันถื้นมาเพราะว่าไม่ถูกเราไม่เอาแค่นั้นไม่ดีก็ให้มันตายในชะ่ไหมตายไปมันดีไปนะพูดสั้นๆไปอย่างนั้นเนะี่ยสบายนี่เรื่องการปฏิบัติมันต่างกันฉะนั้นพุกท่านทั้งหลายนี่ก็ปฏิบัติมากบ้างแล้ ว, วก็มีเริ่มจะปฏิบัติก็มีแล้วก็ประกันเข้าใจจวนต่อไปนี้ประมาณเจ็เดือนเนี่ยพอต่อภาษ า, าแล้ว ฉะนั้นวันนี้เป็นวันประชุมแต่พววันพระแต่ก็ได้นาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดให้ฟังให้เข้าใจแต่ว่าผู้ที่จะอยู่หรือได้ไปนั้นก็ต้องม่ดีใจก็ไม่ต้องเสียใจอะไรมันเป็นเรื่องขธรรมดามัเราไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ปฏิบัติตรงนี้ไปปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างท่านที่วันต่างวันนี้ผมเทศน์โยมกับฟัง วันคืนร่วงไปร่วงไปวัดนี้เราทำอะไรอยู่ น, ะ น, นี่มันสำคัญแล้ยวนะนี่นะไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะแต่ว่าพูดเฉยๆแล้วเจตัวท่านไม่อยู่ฟนะังจะไปะเจออีกแนะอันนี้ท่านท่านกำชับพวกเราเหลือเกินนะว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันให้มันเห็นเจ้าของถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้ว วันคืนร่วงไปร่วง ไ, วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่แต่มันก็เห็นเจ้าของเท่าไรถ้าเราเห็นเจ้าของฟังเทนี้ก็กําชับแล้วครับรู้เรื่องเลยเป็นยอดสุดแล้วว่าเราทําอะไรอยู่ไม่เห็นถูกแล้วหรือผิดแล้วมันมีทางเป็นทางนี้ไม่ใช่ทางเราเนี่ยอันนี้มันต้องคิดค้นคนเดียวคับมันจึงตัดสินในที่สงบนะครับแล้วก็ยังว่านนะ นี่มันก่อนมันต้องเป็นเป็นของพูดพูดมันยากแลาวครับแช่มันทํายากเหมือนกันผมเคยมีเพื่อนเหมือนกันสมัยก่อนเป็นนักเรียนนะก็ประเรียนหนังสือประเรียนแปลธรรมบุตรไอ้ริงที่เราแปลไปนี่มันรู้เหลือเกันเท่งนั้นนะอ mm hmm. รู้่ะแต่แปลทำการไปการมาการอยู่การกินการนุ่นการนั่งการนอนสารพัดอย่างต้นไม้ภูเขาสัตว์เรื่องทั้งหลายเรารููกันหมดแล้วนี่ครับ พูดตามภาษาไทยนะเรารู้เรื่องเนีแต่เราให้เป็นแปรเป็นภาษามค ะ, ะน้นเนียพยผมว่ามันก็ไม่สําคัญเลยหนักหนาตรงนี้ถ้าไม่เรียนภาษาแล้วเท่านั้ น, นยอย่างผมไม่ได้ภาษาสแกนผมเรียนภาษาสแกนก็พูดภาษาสแกนได้มันจะเกิดอะไรมากมายนะเทราะนั้นเป็นเรื่องภาษาแต่มันก็ดีอยู่ครับหนึ่งประดีส่วนหนึ่งนะรู้เ ร, เรื่องเท่านั้น ถ้าหากว่าเราปฏิบัตินะครับนะปฏิบัตินี่มันไม่รู้เราจะปฏิบัติยังไงครับมันต้องรู้ปฏิบัตินะมันรู้ยังไงมันก็รู้นั่นแหละเช่นว่าโยมเอาผลไม้อันนึงมาถวายเรานะไม่รู้จากชื่อมันแต่เรารู้ว่ารสมันหวานมันอร่อยเรารู้ครับมันรู้มันรู้ แต่เราไม่รู้ชื่อมันมาผลอะไรหนี่ผมกาไม่จำเป็นมันจำเป็นต่รู้รสอมันหวานมันอร่อยไหมนี่มันจำเป็นมากครับนี่ผลอะไรนี่ไม่จำเป็นเท่าไรครับถ้ามีใครมาบอกก็จาไว้ก็ได้ถ้าไม่รู้ชื่อมันก็ปล่อยมันทิ้งก็ได้ครับต่เพราะว่าถ้าเรารู้ชื่อมันอีกมันจะมีรสหวานเพิ่มอีกก็ไม่ใช่ครับมันจะมีรสเปรี้ยวเพิ่มอีกก็ไม่ใช่ครับ ถ้ารู้ชื่อมันในรู้ชื่อมันมันก็อยู่อย่างนั้นหลยครับมืนก็บเราฉันอาหารนี่มันอร่อยเนี่ยครับเราก็รู้ว่ามันอร่อยไม่จําเป็นจะพูดว่ามันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยไม่จําเป็นจะไปท่องอย่างนั้นครับไม่ออกปากมันก็รู้อยู่แล้วความรู้อย่างนี้มันมีครับธรรมชาติมันมีแล้วมันมีแล้วการรู้ในการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้มันรู้จักความรู้ แตรู้ในการปฏิบัติมันถึงนะครับไม่ใคยรู้มันไม่ถึงมันรู้ถึงอืมันรู้ถึงเมื่อรู้ถึงมันก็ละรู้จากการปฏิบัติรู้ถึงเนี่ยมันละในความรู้รู้จากการเรียนรู้แนี่มันในละนะครับมันยิ่งแน่นต่อไปอีกนะมันมัดเรต่อไปอย่างนี้นี่ยมันยอมใครใชด้วยครับเช่นคําว่าไอ้ดูอี้นี่คําว่ากอนหิน เราว sure. sure. sure. ่าก่อนนี้ไม่ใช่ก่อนนี้ก็ไม่ใช่เรายอมก็าได้ครับหยุดถ้ารู้ตามเนี่ยตายเป็นตายก็ไม่ยอมแเรากะก่อนหินแตแท้นี่นะเล่นกันจนถึงถึงทีึงสิ้นครับถ้าเรารู้ถึงเรื่องของมันยังไงเขาอะเราว่าก่อนหินก็ไม่ใช่เรากะก่อนหินก็ไม่ใช่สองคําทางหยุดเนี่ยอไปนี้ยอมรับอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องครับนี่ เ <eurs. S 2> ดี๋ยวเรายอมรับว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ fore, เรารู้ถึงเหมือนว่าเราจะเห็นว่าเราว่าหิ น, หนเขาว่าไม่ใช่หินเราว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินเราก็ไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดอะไรมันจบมีทางจบไหมถ้าเราว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินเราก็ว่าหินเ้าว่าไม่ใช่หินเราก็หยุดนะมันก็หมดแล้วนั่นเอมันก็จบไปอย่างมัน เราบอกหินเขาว่าไม่ใช่หินก็พูดกันไปกระทังวันไปทะเลาะกันกระทังวันเอาสิดีวีดีฆ่ากันได้ได้ครับเนี่ยเพราะอันนี้แต่ความจริงจริงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นธาดอันหนึ่งเท่นั้นแหละใครจะว่ามันเป็นหินก็ไม่รู้มันเป็นที่สมมุติขึ้นแต่นัลนถ้าเรารู้ถึงโน้นเนี่ยก็มันก็ออกแล้วมันถ้าเราไม่รู้ถึงขนาดนั้นก็เอาหินนี่นั่นแหละกลาเป็นฆ่ากันเนี่ยฆ่ากันเพราะหินก้อนนี้แหละ ไอ้ความเปจริงไม่รู้มันเป็นหินหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ทัถ้าเราคิดเชนนี้เราก็ยอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันสบายเท่านั้น น, นี่เรื่องยอมรับของท่านในยอมรับอันนี้มันเป็นของที่สําคัญนะครับไม่เป็นของที่สำคัญเราหยุดมันได้ครับ ก็ของสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมาในสภาวะหินสองคําำเขาไม่ใช่แล้วก็เลิกนี่ก็หมดแค่นั้นนี่เรายอมรับสัพพะเจียลเรารู้ว่ามันละไม่ได้ยึดหมายแต่เราก็พูดตามเรื่องเขาเขาสมุดเป็นไหวหินอะก่อนหินว่าของเท้าตามเรื่องของเท้าถ้าไปถึงที่ไหนเขาไม่ใช่ทําทสองคำเราก็หยุดได้นี่ะ อย่างนี้ก็เรื่องมันเช็นอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะเรากระวบมาแล้วนะในทางพุทธศาสนาจะยอมรับมาแล้วมาบวชเลยเพราะมาควรเห็นโทษมันเห้โทษมันจริงจิเราออกมาแล้วนะเห็นโทษมันได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันจะออกไม่ได้นะออกไม่ไนะ แต่เราใช้อันนั้นอยู่ด้วยปัญญาของเรานะ่ยมันก็ไม่มีอะไรครับเราใช้อันนั้นอยู่ใช้อยู่ระั น, นั้นเนี่ยแต่เราใช่้วยปัญญาของเราแต่เรายอมรับแล้วว่าใช้อยู่ยนะแต่ไม่เห้มันมีโทษมันวางมันละ